นี่แหละบอกให้ท่องอธิษฐานพรรษาอยู่ตั้งหลายวันมันต้องให้ได้อันนี้คือหน้าที่ของพวกเราจะทำแบบสุกเอาเผากินแบบไม่รับผิดชอบไม่ได้นะทำอะไรต้องให้มันถูกต้องมันจึงจะเป็นธรรมพินัยไม่ใช่ว่าทำเป็นแต่ศักว่าทำเป็นพิ ธ, ธีจบๆไปนั่นใช้ไม่ได้ถ้าว่าเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าก็ใช้ไม่ได้ถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้เพราะนั้นสิ่งไหนก็ตาม ถ้าเป็นหลักธรรมวินัยกฎระเบียบแล้วพวกเราทุกๆองค์ต้องรับผิดชอบนั่นแหละเมื่อให้ท่องก็ท่องท่อ ง, องให้ได้แต่ขนาดท่องสองสามคำนี่ไม่ได้แล้วจะทำยังไงปฏิโมกล่ะสวดมนต์ต่างๆนี่พวกเรามันต้องท่องนะไม่ใช่ว่าปล่อยปาละเลยอันนี้เห็นความไม่เอาไหนของพวกเราเพียงแต่ท่องอธิษฐานภรษาบอกมาหลายวันแล้วก็ยังไม่ ใส่ใจอันนี้ใช่ไม่ได้ถ้าจะว่าไปแล้วไม่ควรจะให้มีอีกต่อไปออกพรนษาเน่ก็คงจะมีคำภวรนาออกพรรษาอันนี้ก็ควรจะท่องให้ได้เหมือนกันนั่นน่ ะ, ะต่อนนี้ไปก็ทําพิธีคารวะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์วานนโมพร้อมกัน นาโมตสะพะกาวโตอะราหะโตสัมมาสัมปุทตะนาโมตสะพะกาวาโตอะราหะโตสัมมาสัมปุทสะนาโมตตะพะาวโตอะรหะโตสัมมาสัมุทตะบุเทปมาเดน ดาวาราตเยนกตังตาบางอปราทางขมะถุโนผันเตทามเผปมาเดนะดาวาราตเยนกตังตาบังอปราทางขมะถุโนผันเตสร้างเผปมาเดนะดาวาราตเยนกตัง สาปางัปปราทางขมัทุนโนผันเตมหฮาเทเรปมาเดนาดาวารัตเยนกตังสาปางัปปราทางขมทัทุโนผันเตเเรปปมาเดนาดาวาระตเยนกตังตาปางัปปราทางขมัทุนโนผันเต อาจาริเยปมาเดนะดาวาระตายะาณกตังสาบบางปราทางขมาทุโนพันเตกลางวันนี้เป็นวันอธิษฐานพรรษาพวกเราทุกๆท่านเตรียมตัวจะเข้าพรรษาเบืองตนได้ทำวัดแล้วก็คารวะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มหาเทระ พระเทเรพระอาจารย์จบลงไปแล้วที่นีพวกท่านทั้งหลายได้คารวะผมว่าถือว่าเป็นอาจารย์พวกท่านทั้งหลายได้ประมาทาพาดพังด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทั้งต่อนหน้าและหลับหลังอดีตที่ผ่านมาผมยินดีให้อโหสิกรรมต่อพวกท่านทั้งหลาย ผมก็เหมือนกันถ้าว่าได้ประมาทผาดพังพวกท่านทั้งหลายด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็ขอให้พวกท่านทั้งหลายโอโห้ศีกรมให้เช่นเดียวกันแล้วก็ขอให้พวกเราทุกๆท่านตั้งอกตั้งใจมุ่งมั่นเพื่อสา ะ, ะแสวงหาทางพ้นทุกเป็นจุดเบื้องหน้าเป็นจุดยืนเป็นจุดมุ่งมั่นส่วนอื่นถ้าหากว่าพวกเราได้กระทําสิ่งใดก็ตาม ก็ให้อภัยกันหน้าดีที่สุดไม่ต้องจองกรรมจองเวรต่อกันให้อภัยกันถ้าว่าพวกเราไม่มีการให้อภัยกันเป็นพระไม่ให้อภัยกันแล้วโลกทั้งหลายจะอยู่ได้อย่างไรขนาดพระยังไม่ให้อภัยกันดันั้นพวกเราทุกท่านเมื่อมาอยู่ร่วมกันก็ให้อภัยซึ่งกันและกันมองกันในแง่เหตุผลอย่าไปมองกันในแง่ร้าย แล้วก็ขอให้พวกเราเป็นผู้มุ่งมั่นประสบความสำเร็จสมความมุ่งมาตนปรารถนาดวงตาเห็นธรรมในที่สุดอะหังขมามิตุมเฮหิปิเมขมามิตบังเอวังโหตุเอวังโมตุโยจัปุเบปะมะชิตตวาปัตซาโซนะปะมัสติ โซมังโลกังปภาเซเตียพามุตโตวัจันีมายัสสะปาปังกตังกา ม, มังกุศเลนะปะหิยติโซมังโลกังปภาเสเตียพามุตโตวัจันิมาอภิวาทนาสีลิตศนิจจังบุท ธ, ธาปะจายิโนจัตตาโรโอธมาวัฏานติอายุวันโนสุขังภาราัง ปัตติรูปังปาราณิเกณะสัมปาเดห เดี๋ยวพอนั่งพับเพียบซะก่อนท่นจะได้พูดเรื่องเข้าพรรษา <c oughs> ในพวกเราเตรียมใจเตรียมตัวแล้วว่าจะจำพรรษาที่นี้ในปี 2,544 ต่อนี้ไปก็จะมีการอธิษฐานพรรษาตั้งกิจ แ, แน่วแน่ว่าจะอยู่ตลอดไรมาตรสามเดือน คำอธิษฐานพันษาก็อย่างที่พูดเมื่อกี้ในยิมัตส์มิงอาวาเซอิมังเตมาสร้างวัดสร้างอุปเปมะถ้าคนเดียวว่าอุปเปมิถ้าหลายคนอุปเปมะอันนี้คือคำอธิษฐานพันษาจะต้องว่าพร้อมกันอันดับแรกคือจะตั้ง น, นโมซะก่อนสมจบจากนั้นก็ตั้งจิตอธิษฐานแน่วแน่ ว่าจะอยู่ไตร่มากสามเดือนก็กล่าวคำตั้งสัจจะวันในที่นี่อีกสามเดือนเนื้อการอยู่ร่วมกันสามเดือนถ้าจะว่ายาวก็คือยาวถ้าจะวาดสั้นก็คงสั้นเพียงสามเดือนแต่ถ้าหากว่าอยู่ด้วยความร่มเย็นผ้าสุกสามเดือนในเพียงน้อยนิดแต่ถ้าหากว่าอยู่ด้วยความไม่เต็มใจไม่สมัครใจสามเดือนให้เป็นเวลาอันยาวนาน เพราะนั้นพวกเราจะอยู่ในระดับไหนอย่างไรควรจะทำใจอย่างไรในอันที่จะอยู่จำพรรษาสามเดือนข้างหน้านี้แต่ผมคิดว่าพวกเราควรจะคิดไปแล้วตั้งใจไปแล้วมุ่งมั่นไปแล้วที่จะอยู่จำพรรษาในขณะที่จำพรรษาอยู่ไตรามาสสามเดือนแต่พวกเราก็มีขอบเขตคือถ้าให้จาเป็น ไม่ควรจะออกจากนอกกำแพงคือเอากำแพงนะั้นเป็นขอบเขตของวัดเราถ้าหากว่ามีความจําเป็นออกไปแล้วก็ให้กลับเข้ามาก่อนอรุณขึ้นสมมติแบบ อ, ออกไปทุระหรืออะไรก็ตามแต่ตามไม่จริงไม่น่าจะออกหรือจะออกไปทํำทุระข้างนอกแต่ก็ควรจะเข้ามาไม่ควรจะให้เสียเวลำเวลาเพราะขณะนี้เราต้องระมัดระวัง เพเป็นช่วงกระดูเข้าพรรษาสัตหะกรณียะก็อย่างที่ผมเคยพูดเคยเรียนให้ทราบนั่นแหละสัตหะก็ให้ถามให้ศึกษาดูในพระวินัยมีกี่อย่างแต่ที่ผมรู้รู้รสับสับก็คือพ่อแม่เก็บไข้ได้ป่วยครูบาอาจารย์เก็บไข้ได้ป่วยสหธรรมิกเก็บไข้ได้ป่วยสหธรรมิกอยากจะลาสิกขาไปห้ามปรามขอร้อง หรือว่าเสนาสนะที่อยู่อาศัยสาลงศาลาแต่ผู้ไม้หักผุพังเราไปหาไม้มาซ่อมสัตตหะการณียะก็มีหลายๆอย่างบางทีก็กินนิมนต์ของญาติโยมที่เคารพนับถือก็สัตตหะการณียะไปได้เจวันอันนี้ก็ให้ศึกษาให้อ่านคือให้ตรวจตราดูในพระวินยัยก็มีดูในพระไตรปิฎกหรือวินัยมุก พนัการอยู่ร่วมกันในสามเดือนเนี่ยนะให้ระมัดระวังอย่าไปคุกคีกันจนมากเกินไปอย่าไปตอยแย่กันมากเกินไปอย่าไปแย่กันเล่นอย่าไปพูดแย่หยอกกันเล่นการพูดแย่หยอกกันเล่นน่ะเป็นของสนุกแต่อีกสักวันหนึ่งการพูดแย่หยอกกันเล่นนั้นมันจะเป็นพิษเป็นภัยบางทีเราก็คิดว่าองค์ที่เราแย่ไปอารมณ์ธรรมดาเหมือนกับทุกๆวันที่ผ่านมา แต่วันหนึ่งอารมณ์องหนึ่งมันอารมณ์บุไม่พอใจองหนึ่งไปแย่เข้ากระทำให้ทะเลาะเบาแวงกันได้ง่ายๆหาะนั้นการอยู่ร่วมกันเป็นสิ่งที่สำคัญทาไมจำเป็นก็จะไปพูดแย่กันเล่นว่า ง, งั้นเถอะต่างองค์ต่างอยู่ให้ถือว่าพวกเรามาเพื่อปฏิบัติธรรมไม่ได้มาเพื่ออย่างอื่นไม่ได้มาเพื่อหาอยู่หากินพักผ่อนนอนสบายไม่ใช่อย่างนั้นเรามาศึกษา หาความรู้ความฉลาดปฏิบัติศีลธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือจิตตะภาวนาพอเราเป็นพระกรรมฐานอยู่ในปา่าในดงเราจะมาเห็นแก่ปากแก่ลิ้นแก่หลับแก่นอนมันก็ไม่ถูกต้องเพราะนั้นควรจะเห็นแก่ธรรมคือทั้งอกทั้งใจประพฤติปฏิบัติจะอดนอนก็อดนอนอนอนอาหารก็อ่อาหารอดอาหารก็อดน อ, นอดนาหารเล่งขวมผาดความเพียรของตัวเอง อย่าให้มีเรื่องทะเลาะเบาะแกงกันขึ้นในหมู่ของพระเพราะการทะเลาะเบาะแกงกันหน่าเกลียดที่สุดสําหรับพระแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระกรรมฐานอย่าให้มีต่างองค์ต่างอยู่ต่างองค์ต่างทั้งรวมระวังอย่าให้มีเรื่องมีราวอะไรเกิดขึ้นมีอะไรก็ให้พระผู้ใหญ่ดูอย่าให้มันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเป็นหูเป็นตาร่วมกันพระน้อยก็เหมือนกัน พวกเราเข้ามาศึกษาไม่ใช่ว่าเราจะมาอวดอ่างวางเขาวางนักเลงในวัดมันไม่ถูกไปอ้างหมัดทางมวยในวัดมันไม่ถูกเพราะวัดต้องอวดคุณธรรมศีลธรรมกิริยามารยาทเรียบร้อยสวยงามมันขยนันอดทนอันนั้นคือวัดเราควรจะอวดกันอย่างนั้นไม่ควรจะอวดหมั ด, วดมวอวดมวยอวดเก่งอวดกล้าอันนั้นไม่ถูก ถ้าจะอวดอย่างนั้นตรงนู้นพกสลัมถ้าจะอวดมวยกั น, นู่นลาดําเนินลุมพินีอ่าที่นวนเป็นที่เปรียบมวยเขาแต่วัดนี้นไม่ใช่อย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราให้รู้จักการสถานที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระหนุ่มเน้ น, น้อยอารมณ์ร้อนอ่ะอย่าให้มีเด็ดขาดเพราะว่าอันนั้นเป็นเรื่องอย่าปโปนที่สุดสําหรับพระเพราะว่าเราเป็นพระในพระพุทธศาสนา อาศัยชาวบ้านบินธบาทมาฉันเห็นไหมเวลาเขาจะใส่บาตรให้เราจบแล้วจบอีกเขาปรารถนาสวรรค์นิพพานหวังบุญหวังกุศลจากพวกเราแต่พวกเราทำตัวไม่ดีจะได้บุญอะไรให้เขาล่ะแต่ขนาดตัวเองก็ยังคุ้มครองตัวเองไม่ได้แล้วจะแบ่งบุญให้ญาติโยมได้อย่างไรอันนี้พวกเราต้องเตรียมซ้ำเนียกซ้ำนึกมาอยู่เสมอเอ่เพราะนั้นการที่อกทอะไร ขี้เกียจขี้ค้านอ่อนแอเราต้องคิดว่าเออเราจะแบ่งบุญให้ญาติโยมที่เขาทําบุญกับเราได้ยังไงถ้าเราขี้เกียจอย่างนี้อันนี้คือเตือนตัวเองไว้อยู่เสมอจึงเป็นผู้ไม่ประมาะนะทนั่นแหะตั้งอกตั้งใจทำอย่าให้มีเรื่องเกิดขึ้นในพรรษานี้นะถ้าหมูมากๆขึ้นมาเมื่อไรผมก็ไม่สบายใจเหมือนกันนะกลัวมันจะมีเรื่องมีราวอะไรเกิดขึ้นแต่ที่ผ่านๆมาขอรับว่าโชคดี หมู่พเพื่อนทุกองก็ทั้งอกทั้งใจไม่มีเรื่องมีราวผบริสุทธิ์ผมก็ต้องขอบคุณหมู่พเพื่อนคือเจตนาของผมนเนี่ยเจตนาบริสุทธิ์จริงๆตะมูกกับเพื่อนมีเรื่องอะไรเรื่องหนักอกหนักใจอะไรไม่สบายอะไรขาดเหลือขาดตกอะไรสิ่งเหล่านี้ผมยินดีรับฟังผมยินดีช่วยเหลือสําหรับหมู่พวกเพื่อนทุกองถือว่าเป็นอวั ย, ยวะของผม เหมือนกับแขนขาของผมเองนะ่ะมือเท้าของผมเองนะ่ะผมไม่ได้ถือว่าเป็นอย่างอื่นคือเป็นอวัยวะของผมทุกส่วนสําหรับหมู่พวกเพื่อนเพราะนั้นมีอะไรทําให้กล้าบอกผมก็บอกพระที่รองผมลงไปหลายองค์บอกได้แล้วก็ให้บอกผมว่ามีอะไรผมยินดีรับฟังทุกอย่างสําหรับความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจและความทุกข์ยากลําลบากตือการเจ็บไข้ได้ป่วยของหมูของคณะ นะผมยินดีผมไม่ได้รับหมูมาเข้ามาเพียงแต่สักว่ารับต้องการหมูมากมายไม่ใช่อย่างนั้นคือหมูเข้ามาก็าดึงความตั้งตั้งใจเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันบวชเข้ามามาอยู่แล้วก็เป็นผู้ตั้งอกตั้งใจผมรับโดยความเต็มใจถือว่าหมูพกเพื่อนจะเป็นคนดีมีสีในสังคมเป็นที่เชิดชูพุทธศาสนาในสังคม อย่างน้อยก็เป็นผู้มีศีลองคหนึ่งถึงจะภาะวานาไม่ก้าวหน้าหรือว่าไม่เป็นไปแต่ผมก็มั่นใจว่าหมูพวกเพื่อนคงจะเป็นผู้มีศีลองค์หนึ่งจึงได้รับเอาไว้ถ้าหากว่าผมรู้ทีหลังว่าการกระทําไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมผมก็จะเสียใจเหมือนกันประวัตวรับคนผิดรับพระไว้ผิดเพราะนั้นอย่าให้เป็นอย่างนั้นในขณะที่อยู่ด้วยกัน อย่าไปมองกันในแง่ร้ายมองกันในแง่เหตุผลเพราะคนเราเนี่ยมันจะให้เสมอกันเป็นไปไม่ได้เกิดมาก็จากสกุลต่างๆพ่อแม่การเป็นอยูก่ก็แปลกแตกต่างกันชาวไร่ชาวนาชาวสวน้ายสิ่งของอะไรในลักษณะนั้นอ่ะหลายๆอย่างเพราะนั้นการเป็นอยู่การออกมาจากสกุลต่างๆจะให้เสมอกันนั้นคงจะยากแต่ถึงยังไงก็ตาม ทางวามาอยู่ร่วมกันแล้วพยายามปรับปรุงเข้าหากันเพราะพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบเหมือนกับดอกไม้น า, นานาสีนานาพันธ์สีแสดสีเหลืองสีม่วงสีแดงอะไรก็ตามแต่ในช่างมาลาการผู้ฉลาดเอาดอกไม้เหล่านั้นมาร้อยข้อพวงมาลายัยคือรู้จักสลับสีเหนนะพวงมาลาพวงนั้นจะสวยงามอันนี้ก็เหมือนกัน ทางพระทางเลนของเรามาจากสกุลต่างๆแต่มาปรับตัวเข้าหากันเป็นผู้มีคุณภาพเป็นผู้มีคุณธรรมมีจิตมุ่งมั่นอันเดียวกันเพื่อหวังความพ้นทุก์แบบเดียวกันผมว่าสวยงามสังฆโสภนาความพร้อมเพียงของหมู่ของคณะสวยงามงานนั้นในปรญษานี้ถึงอย่างไงก็อย่าให้มีเรื่องเกิดขึ้นเรื่องทะเลาะบอกแยลงกัน โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งให้ผู้ใหญ่อย่างที่ว่านั่นแหละลงไปนั่นแหละให้ช่วยกันดูดูแลพระพรรษาเก่าสองสาพรนศาให้ช่วยกันดูแลเป็นตาร่วมกันสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าทำอย่าริษธำถ้าทำเข้าไปแล้วมันไม่เป็นผลดีสําหรับวัดวาศาสน า, ามันเสียหายไปหมดโดยมากพระเก่าพาพระใหม่ทําพระใหม่ก็ไม่กลัวบางแห่งมันเป็นอย่างนั้นแต่วัดเราอย่าให้มีอย่างนั้น ผลที่สุดผ้าใหม่เลยดูถูกผ้าเก่าอย่างสุดๆผ้าเก่าไม่มีกดไม่มีเกณฑ์ทั้งที่ตัวเองว่าตัวเองฉลาดพาเขาทําสิ่งที่มันไม่เหมาะแต่นี้พอเขาออกไปแล้วเขาดูถูกได้นะสิ่งเหล่านี้ผมเคยเห็นมาแต่สําหรับตัวของผมเองผมจะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเวลาผมอยู่กับครูบาอาจารย์ผมต้องเป็นตัวตั้งตัวตีเป็นตัวหลักให้เขายึดเหนี่ยวแนวทางที่ผมแหมครูบาอาจารย์ท่านพาดําเนินมาสิ่งไหนที่เขาไม่รู้เอาเทพม้วนไหน ฟังวอบมีความเข้าใจยังไงหาเทปผ้านังสือให้อ่านบางทีก็มีอะไรเขาทำไม่ถูกต้องผมจะบอกทันทีผมจะไม่เกรงอกเกรงใจเพราะว่าผู้เข้ามานะเขามาไม่ใช่มาเฉยเฉยมาเพื่อการศึกษาถึงท่านจ ะ, ฉะเฉลียวฉลาดทางโลกมาก็จิตแต่ท่านก็ย่อหย่อนในทางธรรมะในหลักธรรมวินยัยในเมื่อเราเข้ามาอยู่ในหลักธรรมวินัยก่อนท่านลองได้มาศึกษาเรารู้จริงว่าไม่ผิด เราก็ขออภัยแล้วก็ขอบอกกล่าวท่านผู้มาศึกษาท่านก็ยินดีรับฟังและก็ปฏิบัติตามไม่เคยมีปัญหาที่ผมอยู่กับครูบาอาจารย์มาเป็นมาอย่างนั้นบางองค์ก็เห็นพระมาจากต่างถิน่นเป็นพระผู้ใหญ่ยกเป็นญาติโยมที่มาบวชเป็นผู้มียศชื่อเสียงก็ไม่กล้าบอกกล่าวผมว่าไม่ทุกผมเข้าไปบอกเลยที่วัดป่าบันตา ผมก็บอกท่านดวงตาควรจะทําอย่างนี้ๆนะล้างบาตรทำอย่างนี้นะทท อ, ยนนะอย่าไปวางอย่างนั้นไม่ได้นะอย่าไปตั้งไม่อย่างนั้นไม่ได้นะอันนี้คือพ่อวินัยครับกอธิบายให้ฟังว่าเป็นมาอย่างไงวินัยเป็นไปอย่างไอนะท่านก็รับสู้โอท่านก็ขออภัยท่านก็ยินดีเนะีใครก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะท่านมาศึกษาอยู่แล้วนะแต่เราพูดให้มีหลักมีเกณฑ์มีกฎมีเกณฑ์อย่าไปพูดด้วยอารมณ์ท่านเองการสอนคนกัน แนะนำคนจะไปพูดด้วยอารมณ์นั้นไม่ถูกต้องเพราะธรรมวินัยไม่ใช่อารมณ์ที่จะมาพูดกันต้องพูดตามความเป็นจริงด้วยหลักธรรมวินยัยถ้าเขาถามมาก็พร้อมจะชี้แจงให้ฟังว่าอันนี้มันผิดอย่างนี้อย่างนี้พระวินัยว่าอย่างนี้อย่างนี้พร้อมที่จะอธิบายชี้แจงให้ผู้ที่เราแนะนําให้เขาเข้าใจให้ท่านเข้าใจได้ไม่ใช่ว่าเราจะดูถูกเหยียดหยามวา่าควรจะทําอย่างนั้นอย่างนี้พูดแข็งกระด้างอันนั้นไม่ถูกต้อง การพูดก็ต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนอยากจะให้ผู้ที่เราเตือนเนี่ยเข้าอกเข้าใจจริงๆไม่ใช่สักแต่ว่าพูดทำให้เขาช้ำน้ำใจไม่สบายใจอันนั้นไม่ถูกต้องเพราะการพูดนะเรารู้จักการเทศะตัวของเราด้วยเราเป็นใครถึงจะมีอายุพรรษาก็จริงแต่ท่านเป็นใครอย่างเนี้ยเราต้องรู้จักรู้จักคำพูดรู้จักการวางตัว นะรู้จักการคบค้าสมาคมอย่าไปตีลวดขวดเพียงอย่าไปตีตนเสมอเขาอันนั้นมันคือตัวกิเลสความลืมตัวในจิตในใจเพราะนั้นพวกเรา ท, ทุกท่านนะที่มาอยู่ร่วมกันให้จำเหนียกว่าอยู่เสมอลหละแต่หากว่ามีการทะเลาะเบาแววงกันขึ้นนะผมเคยพูดทุกปีในเวลาเข้าพรรษาอย่างนี้นถ้าองค์ไหนพอตามถ้ามีการทะเลาะเบาแวงกันมีการชกการต่อยการตีกันขึ้น ผมจะต้องประชุมส่งแล้วก็วินิจฉัยให้ออกจากวัดทั้งคู่อันนี้คือกฎระเบียบของหลงตาบ้านตาตั้งแต่ผมอยู่กับท่านมาท่านก็พูดอย่างนี้ทางว่ามีการทะเลาะว้อแวงกันทะเลาะการตรีกันแปลว่ามันเสมอกันแต่ถ้าว่าองค์หนึ่งไปตีองค์หนึ่งไปต่อยองค์หนึ่งแต่องค์นั้นไม่สู้องค์ที่ไม่สู้อยู่เพะไม่มีความผิดอด ท, ทนแต่องค์ที่ไปตีไปต่อยควรจะออกจากวัดไม่ควรจะอยู่วัด ไม่ใช่สถานที่จะมาใช้นักเลงไม่ใช่สถานที่จะมากระทาอย่างนั้นเพราะเราเป็นพระอาศัยศรัทธาญาโิโยมเลี้ยงชีพเราจะไปทำแบบนั้นไม่ถูกต้องสิ่งเหล่านี้ก็เตือนให้หมู่เพื่อนให้เข้าใจนะอันนี้คือกฎเหล็กแลวการเป็นอยู่ทุกอย่างการอยู่การฉันก็เหมือนกันน้ำร้อนน้าชาน้าอ่อยน้าตาลก็เอามาไว้ที่นั่นไม่ควรจะเอาไปกินที่กุฏิจุบๆุิบจิบ มันเสียกฎเสียระเบียบโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเก่านะเอาน้ําร้อนอะไรไปฉันที่กุฏิน้ำชงน้ำชาคาแฟไปมั่วสุมกันไม่ถูกนะไม่เห็นด้วยนะแต่ถ้าว่าองค์ใดทําอย่างนั้นนะบางทีอาจจะได้ไประชุมกันซักไซไลเลียงกันเพอ้อเผลออาจจะออกจากวัดก็ได้เพราะว่าผมไม่ได้ห่วงแหนแต่ผมห่วงแหนกฎระเบียบของวัดมากกว่าถ้าว่าพวกเราไม่รักษาแล้วใครจะเป็นคนรักษา เพราะนั้นการดูการกินต้องมีกฎระเบียบผมปขวอยให้ฉันอยู่แล้วตามความสมัครใจตามความพอใจแล้วก็ขาดหรืออะไรในครัวที่นําร้อนผมก็พร้อมที่จะหามาให้ถ้ามีความจําเป็นก็ให้บอกผมมาแต่ว่าถ้าว่าฉันแล้วก็ต้องจบกนอยู่เพียงแค่นั้นไม่ควรจะกินอะไร่้ามเพื่อกินจุ๊บจิ๊บขโมยนั่นขโมยนี้ไปกินอันนี้ไม่ได้เด็ดขาด ไม่ใช่เรื่องของพระไม่ใช่เรื่องของเนนฉันแล้วก็ฉันจบแล้วก็จบถ้าว่าใครอยากจะมาฉันก็มาฉันที่ศาลาสึมีฉันอยู่แล้วบินทบาทอยู่แล้วถ้าว่าใครกลัวตายไม่ต้องอดถ้าอดแล้วแปลว่าสู้แปลว่าไม่กลัวตายและจงค่อยอดแต่ถ้ากลัวตายแล้วไม่ต้องอดมาฉันบินทบาดฉันอยู่แล้วมีอยู่แล้วไม่ต้องทําแบบหลบหลบซ่อนๆอนอันนั้นไม่ถูกต้องมันหลบศบซ่อนๆในตัวเองในใจตัวเอง และก็ะลบช่อนหมูคณะมันไม่ถูกต้องกระลบช่อนครูบาอาจารย์ไม่ถูกต้องนะเนี่ยให้พวกเราทุกๆท่านเข้าใจในเรื่องการอยู่การฉันน้ำร้อนน้ําชาผมไม่รักไม่สงวนห่วงแหนอะไรหรอกขอให้ฉันให้ถูกต้องตามหลักธรรมวินัยเท่า น, นั้นนะผมยินดีทํามันขาดเหลือขาดตกเอาบอกมานี่แหละการอยู่ร่วมกันแล้วก็ให้ช่วยกันดูทํากิ จ, จวัดขอวัด ก็ช่วงนี้ก็ประมาณสักสาโมงนั่นแนหะปัดกวาดใครอยู่ที่ใดก็ให้ปัดกวาดมาที่ศาลาพอมาถึงศาลาแล้วก็ให้แบ่งพักแบ่งพวกกันคนที่ขึ้นมาทําศาลาก็ทําคนที่เช็ดถ้วยชามก็เช็ดไปคนที่ไปดูห้องน้ําห้องถ่าก็ควรจะไปดูแบ่งกันนะให้ช่วยช่วยกันตรวจตารักษาความสะอาดนั่นแหละสะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดกายพ็เนี่ย การเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างของน้ําของถาดชะลงซาลาที่พักพ้าอาศัยที่แกลีน้ํากาณ้าอะไรก็ตามถามมันสกปรก ก, รก็พยายามช่วยกันเช็ดทําความสะอาดให้เรียบร้อยเพราะของเหล่านี้เป็นของสงไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดไม่ใช่ของพระองค์ใดองค์หนึ่งไม่ใช่ของผมเหมือนกันของเราทุกๆองค์ด้า น, นของใช้ทุกอย่างต้องช่วยกันดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องน้ำนะช่วยกันไปดู เขาล็อกยังไงไม่ล็อกยังไงในช่วงเนี้ต้องช่วยกันไปดูถ้าญาติโจมมาก็ให้เขาเข้าได้ไม่ใช่ว่าจะล็อกปล่อยป่าละเลยไม่มีใครดูไม่มีใครและจะเลยนะ่อันนั้นไม่ถูกนะต้องไปตรวจตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเวียนซาลานะนะ่ะควรจะไปตรวจดูหรือว่าพระผู้ใหญ่ที่รองจากผมลงไปหลายๆท่าน น, ะน่าจับ ก, กันว่าองค์ไหนดูอย่างไรไม่ใช่จะปล่อยป่าละเลยไม่สนใจไม่ได้นะให้พวกท่านทั้งหลายช่วยกันสนใจนะ ดูแลนักิ จ, จวัตรขอวัดทั้งหลายแหลปล่อยปาลาเลยไม่ได้ไม่ถูกต้องหน้าที่ไม่ใช่ค่าค่าไม่ใช่หน้าที่ผู้ใหญ่ก็ลักษณะดูแบบไกลๆดูแลแต่ผมก็ไม่ใช่ว่าจะให้ทําอะไรหรอกแต่ว่าต้องดูอันนี้ผมเคยอยู่กับครูบาอาจารย์มาแล้วผมไม่เคยปล่อยปะนลาเลยในกิ จ, จวัตรข้อวัดเวลาหมู่ไปตักน้ําผมลงปูมันมีสมสี่ห้องค์ก็เอาถูสาลาอยู่ชั้นบนทําความสะอาด หมูก็ไปตักน้ำส่งน้ำตามกุฏิบางทีก็วันละสี่ห้าหคันรถรถเข็นนี่นะบางทีก็เกือบ10บคันรถพวกเราก็เป็นพระผู้ใหญ่ก่อนช่วยกันทำความสะอาดสาลงสาลาสิ่งเหล่านั้นก็คุยเกื้อคูลหนุนกันไปอย่างนั้นอ่ะอันนี้คือกิจวัตรประจำวันของพระวันนั้นอยากจะให้หมูพวกเพื่อนให้มีความพร้อมเพียงสามาีกันนั่นหละดีทางพวกพวกเราทาถูกต้องแล้ว พวกเราก็จะได้รับความร่มเย็นผ้าสุขปฏิบัติก็จิตใจปอดโปรง่งภาวนาก็เป็นไปไม่หนักอกหนักใจไม่ละแคะละกใครซึ่งกันและกันน่ะนี่แหะคือการอยู่ร่วมกันนะมีผู้น้อยให้มีผู้ใหญ่มีอะไรก็ปรึกษาปรารถกันเรื่องการอยู่การชันเรื่องอะไรผมที่ว่าผมมีปัญหาเพระผมก็ดูวอกมันเป็นยังไงมันขาดเหลือขาดตกอะไรอันนี้เป็นหน้าที่ของผมผมจะต้องดูให้ความเหมาะสม ในการเป็นอยู่สำหรับหมู่ปกเพื่อนเลื่องทุดรงขวัตกระย่างทีมเช้าเนี่ยนะก็ยางวินทบาทสายของผมก็คิดว่าประมาณ6กโมง้าผมจะออกไปแต่พวกหมู่เพื่อนอาจจะเป็น6 3โมงครึ่งหรือ6กโมงสห้รืออะไรก็สุดแท้แต่จะกะคำนวณเอานะแต่ถ้าว่าเราไปเช้าเกินไปก็ต้องได้คอยผมนานจนเกินไปผูหัวหน้าทีมนั่นนะให้แบ่งแบ่งกันนะ องไหนจะไปทางไหนทางไหนแต่ตามจริงมันน่าจะกะเอาไว้เหมือนกันนะอย่างสายของผมนี่ยพระผู้เท่าไปก็ได้พระหนุ่มถ้าคลองผ้าแน่นแล้วก็เอาไปสายอืน่นถ้าพระสายของผมหรืพระผู้เท่าพระผู้แก่เอาพระป่วยไปสายใกล้แต่องค์ไหนพระหนุ่มกําลังแข็งแรงบาคนไปสายไกลมันก็ไม่ไกลเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเป็นพระหนุ่มต้องออกกําลังกายบ้าง การเดินโยกกลมด้ือว่าการเดินมีธบัดก็เดินภาวนาไปนะพุโทโธพุโทโธพุโทโธอยไปคุยกันนะอย่าไปม่วสมคุยกันเรี่ยงกระดานคุยกันจับกลุ่มคุยกันอันนั้นไม่ถูกต้องนะเหมือนกับพระขอทานไม่ใช่พระบินธบาดไม่ใช่พระโปรดสัตว์ถ้าพระโปรดสัตว์แล้วก็เดินบริกรรมพุโทโธพุโทโธดูใจของตัวเองไปด้วยเวลาศรัทธาญาติโ ย, ยมก็ทำบุญก็ได้บุญได้กุศล น, นะ อันนี้ขอให้พวกเราทุกๆองค์จำเนียร์จำนึกเอาไว้พูดผมเอาแนวทางของพระแม่กูบาอาจารย์มาพูดนะไม่ใช่เอาตามแนวความคิดของผมพูดนะแต่บางสิ่งบางอย่างที่ผมพูดออกไปนี่ก็เหมือนจะเป็นการหนักหนาเป็นการน่าเกลียดหรือเป็นการไม่เหมาะสมสําหรับผู้ได้รับการศึกษามาดีแล้วแต่ผมพูดทั้งนี้ทั้งนั้นก็พูดกันเอาไว้อย่างนั้นน่ะแต่ถ้ามันมีเป็นอย่างนั้นขึ้นมาก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้น จะทำไม่มีออกมาก็ดีออพวกเราไม่น่าจะให้เป็นอย่างนั้นสัง อ, อกตั้งใจพุทธปฏิบัติไม่มีปัญหาตั้งใจภาวนาเท่านั้นอันนี้นคือหลักใหญ่ของพวกเราตอนน่อไปก็นั่งคุกเขา่าประนมมือว่านโมสามจบจากนั้นก็กล่าวคำอธิษฐานปรรษาพร้อมกัน <c oughs> ว่านโมพร้อมกัน